ถ้าพูดกันอนุช่วยลบตัวอย่างนะนะที่ว่าเนี่ยเขาให้หลักการกันบ้างแล้วขยายไปตามไม่ใช่คือต้องการรายละเอียดอ่ะนะเพราะหลักการมันก็มีอย่างนี้อยู่แล้วจะได้รู้ว่ามโนมคืออะไรเหตุเกิดมันเท่าไหร่อะไรมันเกิดทําไมมันจึงเกิดมันจะดับมันได้ยังไงมันดียังไงแล้วมันเลวยังไงบ้างเนี่ยนะจะออกมันได้ยังไงนะคือเอามาแยกแยะเลยคือจะต้มยำนะเหมือนกัน จะให้ละเอียดแล้วก็คงเป็นไปได้ยากครับก็เอาพิ จ, พจารณาคันห้าโดยความเป็นหาด้วยธรรมห้าอย่างนั่นก็คือสมุทยังอาตังคามะอสาธะอาทินวะและกา น, นิสระณะสาหรับ ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่สมมตินะการพิจารณารูปนั้นเราก็รู้ว่าลักษณะของรูปมันเป็นยังไงมัง่งนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะลักษณะสเช่นรูปมีรูปะรูปะรูปะรูปะลักษณะหรือมีลักษณะที่เสื่อมสลายไปนะแล้วก็ลักษณะที่สองก็คือ สามารถที่รูปรูปสามารถที่จะแยกออกจากกันได้เรียกว่าสาสตร์เบีวอะไรคือสรุปก็แย ก, ออกรูปสามารถที่แยกออกจากกันได้นะยกตัวอย่างเช่นฟันของเราเนี่ยสามารถจะดึงออกได้นะหรือพวกเหงือพวกใครเนี่ยหรือแม้กระทั่ง สามารถที่จะเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอะไรได้คือสมาธิแยกออกจากกันได้อันที่3มก็คือรูปนี่ก็เป็นอภิยกตะคือไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลนะมีแต่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านแหละประการสุดท้ายก็มี อ, อิญญาณาจิตและเจตสิกเป็นเหตุใกล้ถ้ามาพิจารณาทีว่าเหตุเกิดของรูปนั้นนะรูปเกิดรูปคืออะไรรูปก็คือมหาบุตรูป4ี่ แล้วรูปอาศัยอีก24เกิดจากาวิชาตันหากรรมพอปฏิสุที่แล้วก็อาศัยอาหารถึงเจริญเติบโตขึ้น <c oughs> เมื่อรูปเกิดขึ้นด้วยปัจจัยอย่างนี้นะก็เมื่อก็ตั้งอยู่ได้ด้วยปยัจจัยถ้าขาดปัจจัยแล้วรูปก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ เราก็ไม่ควรจะยึดถือว่ารูปนั้นนะอ่ามันีคนยึดถือว่ายึดถือดูความตัวเราดความเป็นรูปหรือรูปของเราอ่าเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปแม้กระทั่งคิดว่าเราเป็นรูปรูปของเรานะถ้าพิจารณาได้อย่างนี้ก็ก็จะคลายไปได้เยอะนะครับทีนี้ก็ามาดูเหตุเกิดอ่านี่เป็นที่เรียนให้ทราบนะครเป็นสมุทัยยัง เราอา่าทางคำะความดับก็ด้วยปัจจัยอย่างที่เรีนยนทราบเช่นกันที่นี้อสาทธะของรูปันมีแน่นะถ้าไม่มีอสาทธะของรูปแล้วเราก็คงไม่ยึดติดในรูป น, นะฮะเมื่อแรกททานอาหารเนี่ยอร่อยมากไหมที่ึ้นหึ่งตัวเราก็ยึดในรูปของเราโดยเฉพาะรูปที่ <c oughs> เป็นที่เราได้อายตนะภายใ น, ในเนี่ยลอยึดมากที่สุด ที่เราเห็นเห็นนะแต่ที่ไม่เห็นน่นก็เราคิดว่าเรามายึดแต่ถ้ามีการเจ็บปวยไปแล้วเช่นเขาจะตัดลำไส้หรือจะตัดกระเพาะเราก็เริ่มยึดว่าเป็นตัวของเรามากขึ้น <c oughs> ก็ <c oughs> ด้วยความอัศร์ท่ความพอใจในรูปเนยในรูปของเราเราก็ภูมิใจว่าเรานี่หล่อนะนะเรานี่นะขออภัยครับตอนหนุ่มๆ น, นะครับอ่า <c> ช <oughs> <c oughs> ันนี้สวยเป็นผู้หญิงนะครับ เมื่อเราหยิงในตัวของเราเราพอใจในรูปของเราแล้วเราก็มองดูรูปภายนอกถ้าผู้ชายก็มองดูรูปภายนอกที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ติดใจนะครับเห็นตาขาตาเขาเฉยๆว่าเขาตาหวานนั่นนะครพอใจนะฮะเมื่อความถึงพอใจในรูปมันคงอย่างนี้นะพอตอนหลังพอรูปคลายไปเปลี่ยนไปดับไปเป็นอย่างอื่นไปนะทุก โศกปริเทวะทุกขาทมัสาอุปยาสะก็เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นการอาสาทาผลคือทุกอันเกิดจากอาสาท่าของรูปคืออธินาบันนั่นเองนะทีนี้นิสรณะนี้ก็เราก็มาพิจารณาโดยใช้อานุปสนาเจ็ดนะครับพิจารณาก็จะทำให้เราคลาย ไปนะฮะไเห็นว่าจริงๆแล้วมรูปของเรานี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับถ้าเรามายึดอยู่อย่างนี้นะเราก็เป็นทุกข์อยู่ร่งไปตัวอย่างก็เห็นแล้ ว, ลวนะเราเริ่มทุกข์แล้วนะฮะเมื่อร่างกายบางส่วนแปรไปเช่นการรับเสียงของหูเลวลงนะฮะการมองเห็นก็ ชัดเจนน้อยลงนะะความเคลื่อนไหวของร่างกายกระชับกระเฉงลดลงนะบางทีเราต้องการจะเดินตรงๆนะเราอาจจะเดินเป๋ใบบางขณะนะฮบางทีต้องการจะวิ่งอย่างหนุ่มๆแล้วก็เราไม่สามารถจะทำได้แค่นี้ก็พอจะทำให้เราได้เห็นการแปลัยของรูปได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะถ้าเรา <c oughs> ไม่พิจารณาโดยไม่ศึกษาคำสอนพระองค์แล้ว การที่พึ่งของเราเมื่อรูปของเราแปลไปเปลี่ยนไปนั้นเราเป็นผุ้ดุชนที่ไม่ได้พบปริยะไม่ได้ฉลาดในธรรมของปริยะไม่ได้ <c oughs> เข้าใจไม่ได้พบสัตรบรุตรไม่ฉลาดในธรรมของสัตรบรุตรแล้วถ้าเราไม่ศึกษาความทุกข์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะมากขึ้นนะะอันนี้เป็นเฉพาะใงรูปอย่างเดียวนะฮะ สำหรับเรื่องอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นัยยเดียวกันครับผมไม่ทำปริญญามโนให้ฟังเมื่อกี้ถามมโนนายุพินก็ได้ไปอเมริกาตั้งนานห้คิดอรรยศัพท์รูปไปขนาดไหนแล้วก็ไม่ทราบ มโนมาทำปริญญาเลยอ่าเอามโนเลยมโนสมุทัยมโนนิโรธมโนนิโรธมโนนิโรธถ้าคารมินีปฏิปทาที่จริงไปไปอยู่อย่างนั้นก็มันมันบางครั้งก็วิเวกดีพอสมควรนะว่ามันตอนตอนหลังๆนี่ อยู่กันแค่สองคนพี่พี่สาวตอนแรกไปกันสี่คนแล้วสองสองคนแม่ลูกนะคะเขากลับก่อนแล้วก็ได้ได้เวลาสงบดีพอสมควรกายาวิเวกเลยากายาวิเวกพอสมควรทีนี้ถ้านึกนึกถึงว่าตัวไอความคิดมันมันมัน เหมือนกับวิญญาณนี่เหมือนกับเหมือนกระลิงอ่ะนะมันวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งงนี้ทีไม่รู้จะไปจับมันได้ยังไงมันพอนึกถึงว่าเออเราเช้าขึ้นอ่าคขึ้นก็นมาก็หิวแล้วเดี๋ยวทาน้ได้ไดรถทางทางลิ้นเดี๋ยวก็ ดูดูหนังอีกแล้วเดี๋ยวทางตาอีกแล้วทางหูอีกแล้วเงี้ยโอ้ยนี่ไม่ใช่จิตแต่สิขาแล้วมันก็เลยอยญ่แล้วกันนีง <c oughs> มันมันไปกันใหญ่แล้ว <laughs> โหวิชาที่เรียนมาไปใช้มากไม่ก็ได้เลยนักว่าจะได้ไปเจริญอะไร um, เป็นล่ำเป็นตันมาบ้างนะนีม <c> โ <oughs> นนี่ทำปริญญายัางไง มโนธาโดยศัพท์ทั่วๆไปคุ้นเคยก็คือหมายถึงภวังนะถ้าอย่างสูตรที่เรากําลังเรียนเนี่ยหมายถึงผวังซึ่งจริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับภวังเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงแต่วินิษฐอยู่กับภวังนะวันละกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอาจารย์ก็สอนหกชั่วโมงใช่ไหมคูณกี่กี่ปีดี คูณเอาสมมติว่าคร่าวๆเลยคูณหกสิบปีนะวันละหกชั่วโมงเลกี่กี่นะักกี่ชั่วโมงจานิทตกล ง, งคูณให้ทีเท่าไหร่สามร้อยหกสิบวันคือเราโดยเฉลี่ยเกณฑ์เฉลี่ยหลับวันละหกชั่วโมงถ้าหลับอย่างนี้หกสิบปีจะหลับกี่ชั่วโมง คือถ้าถ้าเอาเอามาจับแบบนี้นะถามว่าจำเป็นมากไหมที่จะต้องเอามาทำปริญญาเลยนะธอเมื่อเมื่อชีวิตเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นมากควรไหมที่จะหยิบเอามาพิจารณาเนี่ยนะตัวมโ น, โนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเลเลยอะแสนสองหมืนหกพันชั่วโมงเนี่ยนะถ้าเจ็ดสิบปีก็เพิ่มไปอีกหลายเป็นหลายพันชั่วโมงเป็นพันชั่วโมงเนยนะนก็เราอยู่กับที่เรียกว่าหลับเนี่ยนะ เป็นแสนชั่วโมงเลยแสนกว่าชั่วโมงเนี่ยท่านถ้าเวลาหลับเป็นแสนแสนชั่วโมงเนี่ยถามว่าจะต้องเอามาทําปริญญายัางไงเอามาพิจารณายัางไงเอามารอบรู้ได้ยังไงเขาบอาชีวิตอยู่กับสิ่งนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะท่านตัวมโนหรือตัวภวังเนี่ยเอ่อถือว่าเรากินบุญเก่ากักนเป็นแสนชั่วโมงกันนะภวังนี่เป็นผลของมหากุศนใช่ไหมถ้าโดยกรรมในอดีต เราทั้งหลายโดยทั่วไปโดยมากก็มหาวิบากหนึ่งในหนึ่งใน 8, ที่รับอารมณ์คือกรรมหรือกรรมนิมิตคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมันเอาแบบใหญ่ๆกว้างๆ ก, ก่อนน่ น, นะตัวผวังก็คือจิตที่หลับนั่นเองนั่นเอซึ่งหลับไม่ใช่น้อยเลยนะถ้าตื่นๆอยู่เนี่ยรู้ได้ยังไงก่อนที่จะรับรู้อารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยจะต้องผ่านมาโนม ต้องผ่านภวังหมดก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะได้ยินก่อนที่จะรับรับเรียนรู้รถก่อนที่จะนึกคิดเนี่ยนะหรือก่อนความคิดทุกความคิดเนี่ยจะต้องผ่านพวังมาทั้งนั้นทีนี้พวังอันนี้มันเป็นจิต ช, ชาติชาติวิบากเป็นผลของบุญเก่าต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์มนนะีวัตถุก็อาศัยหัตยาวัตถุส่วนอารมณ์ก็อย่างที่ว่าในอดีตไป ภวังอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งจริตนิสัยของคนนั้นเลยเป็นพื้นฐานของจริตนิสัยว่าชีวิตในชาตินี้เขาจะเป็นยังไงเนไหมมีนิสัยมักโลภมักโรกรธมักหลงเป็นต้นก็มีภวังนี่แหละเป็ น, เ ป, นเป็นอุปนิสัยให้เนี่ยนะที่สําคัญคือจะพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาไม่ขึ้นเนี่ยภวังก็เป็นตัวที่ที่วัดอยังหนึ่งนั่นเง ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมสงเคราะห์สัตว์สิ่งที่พระ อ, องค์ตรวจอย่างหนึ่งคือเนี่ยตรวจดูผวังว่าปฏิสนจิตชนิดไหนเกิดนําเกิดถ้าเป็นทวิเหตุลงไปเนี่ยนะยังไงก็ไม่ได้บรรลุอยู่แล้วชาติอันนี้หมดสิิจชาตนะินภิญญามรรคผลเกิดไม่ได้ไม่ไม่คู่ควรแก่การบรรลุธรรมนะนะพระ อ, องค์ก็ต้องตรวจอันนี้แล้วก็จะตรวจสอบดูทีนี้ถามว่าเอ๊แล้วผวังเนี่ยเราจะรู้จักมันได้ยังไงเมื่อมันเป็นของเก่าใช่ไหม จะให้มันทําปริญญาเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้บอกแล้วว่าภวังเนี่ยเป็นจิตชาติวิบากวิบากมันต่างยังไงจากมหากุศลคือภาพจริงกับภาพถ่ายเนี่ยนะตัวจริงกับภาพถ่ายมันต่างกันตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าภวังที่ในที่เกิดเป็นมนุษย์ก็คือเป็นผลของทานศีลและภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือเป็นผลของทานศีลและภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง อันท่าเราทําปริญญาในมหากุศลอย่างไงก็จะต้องมองเห็นมหาวิบากถ้าทําปริญญาในมหาวิบากยังไงก็ต้องมองเห็นมหากุศลเหนไก็นับว่าผู้ที่มีมหาวิบากหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากนะทุกคนก็มีบุญกันทุกคนเลยนะถ้าไม่มีบุญเนี่ยมหาวิบากไม่ไม่นําเกิดง่ายๆ นี่ไอ้มหาวิบากอันนี้ยซึ่งเกณฑ์นะนะอย่างมนุษย์ยุคนี้มันก็มีเกณฑ์จํากัดใช่ไหมว่ามหาวิบาก ค, ควรจะเกิดได้นานกี่ปีนะนะซึ่งเราทั้งหลายก็ได้ยินบ่อยแล้วนะผู้การมาพูดสังเวกวาถุให้ฟังเรื่อยๆเนี่ยนะอันนั้นก็คือเกณฑ์ของพวังเนี่ยจะอยู่ได้เกณฑ์ขนาดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ารูปมันบกพร่องเมื่อรูปบกพร่องจิตก็สืบต่อไม่ได้เหมือนกัน รวังน ะ, นะนะอาศัยรวังคือพื้นฐานพอตื่นขึ้นมาแล้วคิดได้เลยอะสมมุติถ้าเราเอาแรกแรกแบบแรกตื่นขึ้นมาทําไมเราคิดได้สิ่งที่ถูกคิดโดยมากเป็นธรรมรมใช่ไหมอันนะัส่วนหนึ่งเป็นธรรมรมแลอาศัยรวังและความคิดอันนี้จึงเกิดขึ้นก็มาพิจารณาต่อไปอีกว่าความคิดอันนี้เป็นกุศลหรืออกุศลจะมีผลยังไงต่อไปนะนะ ซึ่งกรร ม, มสกตานั่นแหละนะถ้าจะใครจะพิจารณามโนมากคนนั้นมีกรร ม, มสกตาสูงมากนะคือคิดเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยมากแต่ถ้ามาทําปริญญาหรือพิจารณาภวังของมนุษย์นะไอชาติที่ทําให้มีภวังคือกุศ ล, ลกรรมเพราะฉะนั้นจะต้องรอบรู้ในมหากุศลมากเพราะว่าภวังนี้คือจิต ช, ชาติวิบากจริงๆแล้วมหาวิบากกับมหากุศลต่างกันที่ไหน ต่างกันที่ชาติและอารมณ์เป็นต้นนะนะแต่ก็มีส่วนที่ที่คล้ายกันถ้าถ้าทปริญญาในมหากุศลมหาวิบากก็จะไม่ใช่ภาระมากนะักเนี่ยนะนะสำคัญว่าเอามหากุศลเนี่ยมาทําปริญญาขนาดไหนก็ไปลงอย่างที่ว่าผู้การทําปริญญาเรื่องศีลขนาดไหนนะไอ้ผลของศีลนั่นแหละคือภวังะเนี่ยนะนะนะก็อยู่ที่ที่การมองมหากุศลหรือศีลกุศลเป็นต้นนั่นเองเนะีนะ่ยเพราะว่า มโนอันนี้แหละคือ เ, เป็นผลของการให้ทานรักษาศีลอันนี้พูดถึงมโนที่เป็นบุญนะแต่ถ้าสัตว์ในอบายทั้งหลายก็มโนที่เป็นผลของอากุศลเจตนาสิบเอ็ดนี่ยนะถ้าของสัตว์นะเพราะว่าอุทธะไม่นําปฏิสนธิเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ ท, ที่หลับนะมูห ม, มากาะไก่ลิงทั้งหลายเนี่ยหลับด้วยอุเบกขาสันติรณะที่เป็นผลของ อกุศลเจตนาสิบเอ็ดนี่ยนะนี่ก็รายละเอียดอย่างที่ว่านะขอค่าให้มาว่าเนี่ยก็ว่าได้แหละมีเวลาฟังหรือเปล่ากันนั่นน่ะขู่ซะอีกกันไหมถ้าทําผุ้นว่าเป็นพวกทุกตินี่นะสัตว์ในทุกติเนี่ยเวลาเวลาหลับถ้าจะมันหลับไม่สุขเหมือนอย่างสุขติเนี่ย <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ก็โมเดระาชาันทั้งหลายเนี่ยนะหลับตื่นง่ายเขาหลับหลับตื่นตื่นเ หมูเดรัชานไม่ได้มีการหลับสนิทอะไรเลยก็ค่อนข้างชีวิตเดือดร้อนมากเพราะว่าหลักเท่าไรก็ต้องไปเจอผลบาอารมณ์ของของมหาวิบากเทั้นไม่ชหาวิบาสอากุศลวิบาก ค, คือเป็นผลของอกุศลวิบากที่ที่เรียกว่ามันชาตวิบากแล้วนะแต่ทีนี้ว่ามันก็ไม่ได้มีความเจ็บปวดทรมานอะไรในใ น, ในวิบากพร้อมจิตชาตวิบาก และจิตอันนั้นก็อาศัยวัตถุซึ่งรับอารมณ์ก็เป็นอารมณ์อดีตเนะปฏิสพวังทั่ ว, ท, วทั่วไปนะจะมีอารมณ์อดีตกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่หลับไม่มีความเจ็บปวดแต่ไม่ใช่ผลบุญไ ม, ไม่ไม่ได้มีความคือ ท, ทุกข์ไม่มีมีแต่สังขารทุกข์เนี่ยนะแต่ก็เป็นอุเบกขา อ, อุเบกขามีแต่มีแต่เฉพาะสังขารทุกข์ ฉะนั้นหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผวังของเขามันกลุ่มที่พัฒนาไม่ขึ้นเห็นไหมที่พัฒนาไม่ขึ้นไม่เป็นอุปนิสัยที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงอย่างอื่นเลยแล้วก็ในขณะที่เขาหลับเมื่อไหร่เขาก็สวยผลแห่งบาปตลอดเห็นไหมเพราะฉะนั้นหมูสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ดูบุญดูบาปนะอย่างเช่นเดราชานก็เป็นที่ดูผลแห่งบาปมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นที่ดูผลแห่งแห่งบุญเนี่ย อ น, น, นอนไม่หลับเป็นบาปหรือเป็นบุญก็คือเป็นผลอย่างเบาของการเมสุมิจฉาจารก์กดื่มสุราใช่ไหมนอนนอนไม่หลันนบน ะ, บะเป็นเป็นผลของเนี่ยผิดการเมสุมิจฉาจารก์กดื่มสุราและเมรัยเนี่ยเป็นผลอย่างเบา รวังสามตัวตัวไหนอ่าคืออตีตรพวังพวังคจรณะพวังผู้ประเฉทะเนี่ยตัวที่หลับจริงคืออตีตรพวังเพราะว่าพวังคจรณะพ ว, วังผู้ประเฉทะก็คือพวังอันเดียวกันนะนะแต่มันใกล้ตื่นแล้วคือถ้าใกล้ตื่นเต็มทีนะใกล้ๆขนาดนั้นเรียกว่าพวังคจรณะพวังผู้ประเฉทะแต่เป็นพื้นฐานจะเป็นอตีตรพวังนะนะที่ที่อยู่ในหลับสนิทนะอตีตรพวังอ่าตัวนั้นเป็นตัวตัด เป็นเฉท่าตัวนั้นแปลว่าตัดเพื่อใกล้ตื่นและใกล้ตื่นเต็มทีล้วนั้นหมายถึงอตีิตะพะวังจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันแต่มันสมมุติว่ามันใกล้จะตื่นเน่ยเราเลยเรียกว่าพวังคูต์พวัง ข, างขาจาระณะพะวังคู่ปเจทะนะใครที่จะศึกษาไอความรอบรู้เรื่องพวังเป็นต้นนะวิธีสังเกตง่ายๆว่าเช่นเราฟังธรรมเนี่ยจิตชนิดไหนฟังธรรมเนี่ยา มากุศลอันนี้นะว่าสมมติถ้ามันนำเกิดนะก็จิตประเภทเดียว ก, กันกับที่กำลังฟังนี่แหละไปนาไปรองรับพบนั้นทั้งพบเลยอะ่ะน่ถ้าให้ทานเนี่ยนะสมมติว่าตอนให้ทานอะ่ะสภาพกุศลเจตนาขณะให้มันเป็นยังไงอะ่ะก็เจตนาตัวนั้นอ่ะมันให้ผลเป็นพวังอันนี้ก็เป็นวิธีสังเกตถ้าถ้าจะศึกษาเรื่องพวังเพราะว่า กฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือวัตะนะกรรมวัดวิปากวัดก็คืออดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเนี่ยนะก็ศึกษาเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ก็จะมองเห็นทั้นก็สาวผลชาติวิบากของเราคือผลของบุญในอดีตที่มานําเกิดพอเราก็มาศึกษาบุญในชีวิตประจําวันเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นเป็นผลของของอดีต นะก็จะมองออกแล้วก็ทำให้คำนวณออกต่อไปว่าอนาคตเนี่ยนะคือปฏิสนธิในพบใหม่จะเป็นยังไงก็คุณภาพก็อยู่ที่ที่เหตุที่ทำอยู่นี่แหละก็ก็คื อ, คคอพอให้ผลนำเกิดก็คือพื้นฐานก็ไม่ฉละดจไว้นะถ้าถ้าเราฟังด้วยยานวิปยุทธ์นะไอเจตนายานวิปยุทธ์นำเกิด มันก็ชาติหน้าก็เป็นคนไม่ฉลาดก็ไม่เข้าใจคือคือคืออาจจะเข้าใจอ่ะนะไปพัฒนาขึ้นอ่ะแต่ว่าพัฒนายาประเพื่อนอ่นะคือสมมุติท่าถ้าไอยาณวิปยุทธนาเกิดทีนี้ท้าฟังทำเนี่ยนะอุเบคาตลอดชาติหน้าก็จะเป็นคนเฉยเฉยอีกลอดหลับหลับตื่นตื่นฟังอ่ะนะเจตนาเนี่ยชาติหน้าก็เป็นคนมักน่วงอ่ะเห็นไ ฟังไปด้วยหงุดหงิดไปด้วยรําคาญไปด้วยชาติหน้าก็วิบากอ่ะนะแต่ว่าอัธยาศัยจะเป็นคนมักโกรธอันนั้นนะาเขาจะวัดในแง่ในแง่อัธยาศัยรอบตัวแต่ว่าเจตนาที่นําเกิดเนี่ยอย่างเช่นอันนั้นอย่างมาพูดเนี่ยที่พูดหนึ่งคำอ่ะเจตนาที่เป็นเหตุพูดนะอันเนี้ยผวังขจิตพบต่อไปก็คือลักษณะ น, นี้เพียงแต่ว่าอันนั้นชาติวิบากเท่านั้นเองอันนันจึงไม่ประมาท จึงไม่ควรประมาทในเจตนาเหวันนี้ไปดูชอบอวิปัสสนาชั้นสูงคือวิปัสสนาชั้นสูงเนี่ยเขาพิจารณาว่าอุปาทะนะปวัตตนิมิตะเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นภัยมันน่ากลัวมันเป็นสังขารอายุหะนะกับปฏิสนธิอันนี้ก็น่ากลัว ของเราก็เป็นนักเรียนชั้นสูงอยู่แล้วสบายมากเพราะว่าอายุไม่ค่อยน้อยเลยอะนี่ <c oughs> มาดูนะว่าถ้ามีศาพว่าอุปปาทะปวัตตนิมิตร อุปาทะหมายถึงการเกิดขึ้นในภพนี้ด้วยผลง้องกรรมเก่าเนี่ยนะท่านตัวอุปาทะอย่างที่เราพูดเมื่อกี้คือพวังใช่ไหม เ, นะเพราะว่าก่อนปฏิสนธิมันดวงเดียวนะหลังจากนั้นก็จะเป็นพวังมาตลอดถ้าเอาจานเกรสรก็สักแสนสาม ตัวเลขเยอะเงี้นะแสนสามหนึ่งสี่เลยนะตัวเลขแสนสามหนึ่งสี่ชั่วโมงหนึ่งสี่นะโอ้แสนอแสนสี่ไปเลยอเขียนตามแล้วเพราะว่าหลับกลางวันด้วยไงบวกเข้ามา อันนี้ว่าคูณแค่กสิบปีนะอันนี้มาอ น, นี้แล้วหลับกลางวันอีกมั่งกันนะ ไ, ไปนั่งหลับไปอีกนี่เยอะยไปหมดนะนี่เอาให้คร่าวๆพอแล้วนะอันนี้อุนนอ ป, ปาทาก็คืออาการเกิดเนี่ยเป็นผลของกรรมในอดีตยอย่างที่กล่าวว่าถ้าเป็นปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งกรรมก็จะเป็นมหากุศลดวงที่หนึ่งเนี่ยนะถ้ า, ถาพื้นถ้าเราจะดูว่าถ้าเราเกิดด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งนะ เราก็มาศึกษามหากุศลดวงที่หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในชาติเนี้แล้วก็สังเกตดูอัธยาศัยอย่างหนึ่งว่าปกติชีวิตเราเนี่ยเวลาทํากุศลเนี่ยเป็นกุศลหนึ่งในแปดเนี่ยดวงไหนมากที่สุดพวกกันของพวกกันไหมตรงที่ไหนโอไม่ใช่แล้วอ่านพระไตรปิฎกเยอะมีอยู่แล้วเอามันมีอะ่ะก็ชื่อให้มีก่อนนะมีมากมีน้อยก็ยังเอาดวงที่หนึ่งะนะ จริงผู้การเขาก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าทำอะไรโดยมากก็อาสังขาริกษซะส่วนใหญ่เห็นไหมแต่ว่าจะออกมาเป็นดวงที่สามไอ้ที่ทําใหม่นะเพราะว่าอุเบกขาซะส่วนใหญ่นะก็เป็นดวงที่สามน ะ, ะอุนะเบกนะขาอาสังขาริกรษ์ญาณสัมปยุตแต่ว่าไอาเป็นของของเก่าอาจจะอาจจะเป็นโสมนัสเนีนนน่เพราะจริงๆแล้วพื้นฐานก็เป็นคนโสมนัสแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําให้ หนักไปทางอุเบกขาคือสุขุมขึ้นอะไรเงี้ยนะเขาว่างงั้นนะนั้นอัน น, นี้เราก็มาศึกษาว่ามหาวิบากที่มันเกิดขึ้นมันก็จะคล้ายกันเนี่ยนะเพียงแต่ว่าชาติกุศลกับชาติวิบากอันนี้คืออุปาทานะทีนี้ปะวะัตตะแปลว่าเป็นไปดํารงอยู่กี่ปีอ่ะก็เนี่ยที่เป็นไปเนี่ยปะวะัตตะก็เป็นแสนแสน เฉพาะที่ที่ที่มันเกิดสืบเนื่องต่อๆกันโดยมากเนี่ยนะเป็นแสนแต่จริงๆก็ต้องคูณถ้าจะคูณให้ตรงก็ต้องเอาบอกว่าสมมติชีวิตอายุหกสิบห้าปีก็ามาคูณก็แล้วแต่จะวัดนะจะคูณนาทีหรือจะคูณวินาทีหรือจะคูณวันคูณชั่วโมงก็ว่ากันไปเพราะพ ว, วังมันแทรกทุกระยะที่ก่อนที่อาวชนะจิตจะเกิดเนีย่ยนะอันนั้นคือประวัติตรความเป็นไปของ ของชีวิตเนี่ยน ะ, ะวะตัตตาแล้ ว, ว่าเป็นไปแล้วก็ตัวนิมิตอะไรมัง่งตอนแรกเกิดมาแล้วใช่หหลังจากเกิดเรียกว่านิมิตที่เป็นมาก็คือชรามาตลอดนนะอุปาทะปะวะัตตะนิมิตตก็คือมองชีวิตทั้งทั้งพบนี่เลยนะทั้งชาติเนี่ยว่ามันเป็นเป็นภัยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นสังขารเป็นอามิตรนะนะอมิตรเยื่อมาเนยเป็นอามิตรแล้วก็เป็นเป็นไม่ใช่เป็นอมิตร อ, อีกคำหนึ่งก็คือเป็นทุกข์มีอยู่สี่คำเป็นทุกข์เมื่อมีภวังมีปวัตตะมีเป็นอย่างเงี้ยโดยมากเพื่ออะไระนะว่า ชีวิตหลับกับชีวิตตื่นไหนมากกว่ากันเตื่นมากกว่าใช่ไหมไอ้ที่ตื่นทั้งหมดเนี่ยคืออายุหันะเห็นไหมเป็นปุตตุชนทั่วๆไปเนี่ยตื่นด้วยจิตยี่สิบดวงสิบสองกับแปดเตื่นด้วยจิตดวงไหนมากกว่ากันเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าปฏิสนธิอําคืออะไรนี่ปฏิสนธิมันเป็นอยังไง ตามสมควรแก่อายุหนะะน่เน่ก็มาดูว่าหนึ่งในจำนวนที่ตื่นอยู่นะมันต้องมีเจตนาเฉพาะดวงที่เจ็ดนะถ้าจะเป็นของชาตินี้นะเฉพาะดวงที่เจ็ดเท่านั้นที่จะนำเกิดดวงใดดวงหนึ่งเขาก็มีอยู่ว่าหนึ่งครุกรรมมีไหมถ้าจะปฏิสนธินะถ้าจะปฏิสนธิใหม่เนี่ยก็สอบสวนดูมีครุกรร ม, มไหมชาวนาดวงที่เจ็ดไงอะนะ ครุกรรมข่าพ่อข่าแม่ข่าพระรหันนะฝ่ายบาปฝ่ายบุญฌานสมาบัตมีไหมถ้าไม่มีก็ผ่านถ้าไม่มีต่อไปก็อาสันนกรรมอาสันนกรรมเนี่ยที่อาสันนกรรมคือเช่นรักษาศีลดีใช่ไหมคิดถึงศีนได้ก่อนตายตัวศีนจะนาเกิดเรียกว่าอาสันนกรรม ให้ทานแล้วคิดถึงเจตนาแห่งการให้ทานก่อนตายนะเจตนาตัวนั้นจะนาเกิดอันนี้เป็นอาสันนกรรมนะนะเพราะอาสันนกรรมแปลว่ากรรมที่คิดถึงก่อนตายนะนะถ้าไม่มีอาสันนกรรมจะเป็นอะไรภูมิหงลักรรมนะนะชาตินี้ทำอะไรโดยมากอ่ะนนะกุศลโดยมากหรืออกุศลเป็นต้นเนี่ยโดยมากก็กวัดดู อันนั้นก็จะเป็นพหุลกรรมนำปฏิสนธินี่อันนี้คืออายุหนะ